ฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาตามลำดับต่อไป mm hmm. การแสดงธรรมและการปฏิบัติธรรมหน้าสถานที่แห่งนี้เราก็แบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันช่วง30สนาทีแรก mm hmm. จะเป็นการฟังเทศฟังธรรม แล้วต่อด้วยอีกสามสิบนาทีเป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาธรรมะที่เราจะมาฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องหน้าที่ของชาวพุทธพวกเราทุกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธนี้ เราเป็นชาวพุทธแท้หรือเป็นชาวพุทธเทียมกันถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้เราต้องทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายให้กับพวกเราไว้กระทำกันถ้าเราไม่ได้ทำหน้าที่เราก็ไม่ถือว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงหน้าที่ของชาวพุทธที่แท้จริงนี้ก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งก็คือการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยัติธรรมข้อที่สองคือการอเอาเมานเอาคำสั่งคำสอนไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรมข้อที่สามก็คือปฏิบัติจนได้บรรลุผลของธรรมเรียกว่าปฏิเวษ และหลังจากนั้นก็ค่อยมาข้อที่สี่คือนำเอาธรรมอันเอันประเสริฐที่ได้บรรลุถึงไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราถ้าเราอยากจะเป็นชาวพุทธแท้เราต้องทำหน้าที่ทั้งสี่ข้อนี้ตามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนขั้นบันได เหมือนกับการเรียนหนังสือขั้นต้นเราก็ต้องไปเรียนหนังสือก่อนเรียนให้จบแล้วเราก็ไปทํางานทํางานเราก็จะได้รายได้มาทําประโยชน์ให้กับตัวเราและทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปเราไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนเหล่านี้ไปได้เพราะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกัน อังนั้นข้อที่หนึ่งของหน้าที่ของชาวพุทธเราก็คือศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราสามารถศึกษาได้จากแหล่งที่เชื่อถือได้คนจะศึกษาจากแหล่งที่เชื่อถือได้แหล่งที่เชื่อถือได้ ก็คือพระรัตนตัยคือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อันนี้พระพุทธนั้นท่านได้เสด็จดับขันธปาลินิพพานไปแล้วก็เหลืออยู่ก็อยู่ที่พระธรรมคําสั่งคําสอนที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระคมพีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกอันนี้เป็นคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้รับการรับรองได้รับการสังคายนาจากพระอรหันต์ห้าร้อยรูปด้วยกันเป็นแหล่งของคำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่ถูกต้องนี่เป็นแหล่งที่หนึ่งถ้าเราอยากจะศึกษาเราควรจะเข้าหาพราะธรรมคาสั่งคําสอน ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก mm. เป็นศึกษาพระสูตรสำคัญต่างๆพระสูตรสำคัญอันดับแรกก็คือพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตร mm. เป็นการแสดงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง mm. ทรงแสดงอริยสีอริยสัจสี ทำที่ได้พระองค์ได้ทรงตัดสรุปขึ้นมาด้วยพระองค์เองเป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องรู้จากพระอริยสัจสี่ถึงจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อันนี้เป็นประสูตรที่สำคัญข้อพระสูตร ข, ข้อที่หนึ่ง ข้อสข้อที่สองก็คืออนันตานัตตะละนสัสตรทรงสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เรามาครอบควบที่เรามาครอบครองครอบครองเป็นสมบัติของเรานี้อาเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นสมบัติของใครทั้งสิ้นมันเป็น ของธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเราที่ไปเรียกว่ามันเป็นของของเรานี้เป็นเพียงการไปเรียกเฉยๆความจริงแล้วมันเป็นของธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายของเรานี้ก็เป็นธรรมชาติที่ประกอบขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดามีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครไปครอบครองร่างกายนี้ได้ไปตลอดเป็นเป็นสิ่งที่สามารถครอบครองไว้ได้เพียงชั่วคราวเพราะมันไม่ใช่เป็นของของใครมันเป็นของดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันสร้างเป็นร่างกายขึ้นมา แล้ววันหนึ่งร่างกายก็ต้องแยกออกจากกันไปอันนี้ก็คือพระสูตรข้อที่สองให้เห็นปัญญาชงสอนให้เห็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนัตตาทั้งสิ้นไม่มีตัวตนไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นการรวมตัวของธาตุสี่และธาตุห้าธาตุที่ห้าก็คือธาตุรู้ที่มารวมตัวกันแล้วทําให้ปรากฏเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น แต่เป็นการรวมตัวอยู่ชั่วคราวแล้วในที่สุดก็ต้องมีการแยกสลายกันออกไปจากกันไปอันนี้เป็นพระสูตรที่จะช่วยทําให้ปล่อยความยึดติดในความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราของเราได้ถ้าไม่มีการยึดติดในตัวเราของเราแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิด ใจของความทุกข์ที่เกิดก็เพราะไปหลงไปยึดไปติดไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเรานั่นเองอันนี้คือพสูตที่สำคัญข้อที่สองะสูตที่สำคัญข้อที่สก็คืออธิตตปริยายาสุดท ร, สทรงแสดงให้เห็นว่ากามคห้ารูปเสียงกลิ่นรสทพธาตนี้เป็นทุกข์เป็นเหมือนกองไฟ ผู้ใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะแล้วก็เหมือนกับเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกองไฟเพราะความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิธพธพน่นลดผลทพะนี้เป็นความสุขแบบชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็ทําให้ผู้ที่เสบนั้นเกิดความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาโดยความเศร้าโศกเสียใจ เกิดความทุกข์ขึ้นมาหนึ่งถ้าไม่อยากจะทุกก็อยากไปเสพพวกรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆนะพระสูตรที่สี่ที่เป็นพระสูตรที่สำคัญก็คือสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรนี้จะเป็นพระสูตรที่สอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ใจหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเรา ว่าเป็นสุขก็คือ ส, สติปัฏฐานนี้ก็จะสอนวิธีเจริญสติเพราะว่าสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งของจิตได้ทําให้จิตสงบได้ต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วก็จะทําจิตให้สงบจิตที่สงบก็จะมีอุเบกขามีกำลังมีความสุข ที่จะสามารถสู้กับความอยากต่างๆที่จะคอยดึงใจให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่จะกลายเป็นความทุกข์ตามตามมาต่อไปได้มีสติก็จะได้สมาธิมีสมาธิถ้าได้ศึกษาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ พอปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างเช่นปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองปล่อยวางยศยศถาบรรดาศักดิ์ปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายปล่อยวางแม้แต่ร่างกายของตนเองปล่อยวางทั้งความอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของตน ถ้าปล่อยวางได้รู้ทันว่าเป็นตายลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์ น, นี่คือพสูตรที่สำคัญสี่พสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่ครอบงาจิตใจที่เราให้จิตใจไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันรู้จักจ บ, จบจากสิ้น ควรเป็นพ์ที่ควรจะศึกษาและพยายามปฏิบัติตามให้ได้ถ้าปฏิบัติตามได้แล้วก็จะได้รับผลตามลำดับได้สติที่ยาวมาใช้กับการนั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นอัปปนาสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นมาโดยความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเมื่อเจตมีความสงบมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ก็จะมีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่จะคอยมายั่วยุจิตใจให้ไปหลงกับการไปเสพสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ที่จะกลายเป็นความทุกข์เนื่องจากว่ามันเป็นของชั่วกาว น, นี่ก็คือการศึกษาจากพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าอีกข้อสุดอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือมงคลละสูตร มงคล38คือการกระทํา38ขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงอันนี้เป็นการสอนแบบละเอียดตั้งแต่ตั้งแต่ข้อแรกให้รู้จักเลือกคบคนให้คบคนฉลาดอย่าไปคบคนง่งคนฉลาดก็คือคนที่รู้เหตุรู้ผลรู้กฎแห่งกรรมรู้บาปบุญคุณโทษรู้นรกรู้สวรรค์ ก็คือให้เข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองให้คบกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าอยากจะได้เรียนรู้วิธีที่จะเจริญก้าวหน้าในการที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นประจากใจ mm hmm. เริ่มต้งแต่ขั้นที่หนึ่งไปถึงขั้นที่สามสิบแปดเป็นความรู้ที่มหาสา ร, รย์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนถ้าได้ศึกษาแล้วเราถึงจะรู้ถึงความฉลาดความแหลมคม ของพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้ที่ฉลาดหลมคนขนาดไหนด้วยกันนี่ก็คือเป็นพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนพระสูตรเหล่านี้แล้วก็มีการจดจํากันมาเป็นยุคยุคตามพระสงฆ์องค์เจ้าที่มาบุตรก็จะมาศึกษามาท่องมาจําพระสูตรเหล่านี้กัน แล้วก็ถ่ายทอดกันมาเป็นทอดทอดถ่ายทอดด้วยวิธีศึกษาด้วยวิธีศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติจนปรากฏเห็นผลขึ้นมา mm hmm. ก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่ได้ศึกษานั้นเป็นเป็นความจริงที่สามารถนามาประช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ mm hmm. แล้วก็จะมีการถวยแพ่เอาธรรมะเหล่านี้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ได้บรรลุถึงเอามาเผยแผ่กันเป็นยุคเป็นช่วงช่วงจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ถ้าเราอยากจะศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะทําหน้าที่ของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้เรากระทากันเราก็ควรที่จะศึกษาพระสูตรเหล่านี้จากพระไตรปิฎกเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตจัดว่าเป็น สว่าขาโตพระกวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ถูกต้องแล้วที่ชอบแล้วที่ถูกต้องแล้วถูกต้องตามหลักของความเป็นจริง mm hmm. เป็นเหตุเป็นผลถ้าจเจริญเหตุนี้ได้ mm hmm. ก็จะได้ผลนี้ตามมาเป็นต้นนี mm hmm. ่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้กับพวกเราก่อนที่จะจากโลกนี้ไปทรงตัดว่าธรรมวินัยคือคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ จะเป็นศาสดาแทนพระ อ, องค์ต่อไปพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระศาสดาคือเราจะไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระธรรมคาสั่งคําสอนที่พระ อ, องค์ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันนี้จะเป็นศาสตาแทนพระองค์พระองค์ต่อไปอันนี้คือแหล่งของการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องที่ เป็นความจริงร้อยเปอเซนะ์อีกแหรงหนึ่งของความรู้ธรรมะของธรรมะที่เราสามารถเข้าหาได้เข้าไปศึกษาได้ก็คือการศึกษาจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเรารู้จักพระอริยสงสาวกรูปใดรูปหนึ่งตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะท่านจะรู้เรื่องอริยสัจสี่ท่านจะรู้เรื่องมรรคแปดท่านจะเข้าใจเรื่องพระสูตรต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงไว้เพราะท่านได้รับใบศึกษาได้นําออกไปปฏิบัติจนได้เห็นผลจากการปฏิบ mm ัต hmm. ิถ้าอยากจะเรียนรู้จากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ mm hmm. คือเรียจากพระริยสงฆ์พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ mm hmm. ถ้าเรามีโอกาสได้พบได้เจอเราก็สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติกับท่านได้ mm hmm. น, นี้ก็คือ แหล่งของความรู้ที่แท้จริงที่จะทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ความรู้ที่ถูกต้องมั่นยำเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาเราต้องศึกษาจากแหล่งธรรมะที่แท้จริงที่ไม่ใช่เป็นธรรมะทาปลอมทาที่ ไม่ได้รับการพิสูจน์ถ้าเราไปศึกษากับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนี่ท่านยังไม่ได้สามารถพิสูจน์สิ่งต่างๆที่ท่านเอามาสอนได้ท่านสอนจากความรู้สึกนึกคิดซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้แต่ถ้าไ่ได้ศึกษาจากพระ อ, อริยสงฆ์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ท่านได้พิสูจน์จากการปฏิบัติ ท่านได้เข้าถึงอริยสัจสี่ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นกดแห่งกรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากเห็นนั้นเห็นตายลักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากการปฏิบัติของท่าน mm hmm. ท่านก็จะมีความมั่นใจมีความเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซ็นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลย แล้วก็ไม่ดังเลนในเรื่องของกฎแห่งกรรมังไม่มีการกระทำบาปอย่าง100 <c oughs> 1อ้อยเปอร์เซนตนี้ก็คือพระอริยบุคคลถ้าเรามีโอกาสได้พบปะได้เจอสามารถศึกษาจากท่านก็ได้ท่านที่ยังมีชีวิตอยู่หรือท่านเราไปพบกับพระอริยบุคคลที่ท่านได้จากไปแล้ว เช่นพระอาจารย์ต่างๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลังจากที่ท่านได้ลาสังขารแล้วอาถิของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาถ้าอาถิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมานี้ก็เป็นเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้บรรลุถึงธรรมท่านสูงสุดแล้วคือขั้นพระนิพพานท่านเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าท่านมีคาสอนบันทึกไว้เป็นหนังสือก็ดี เป็นเครื่องบันทึกเสียงในเครื่องในแถบบันทึกเสียงต่างๆก็ดีเราก็สามารถที่จะศึกษาจากคำสองคาสอนของท่านเหล่า น, นี้ได้ mm hmm. เราคงจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางรูป mm hmm. ที่หลังจากที่ท่านมาหน้าภาพไปแล้วหลังจากที่ได้มีการชา ป, ปนกิจแล้ว mm hmm. อธิคืนกระดูกบางส่วนก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมา mm hmm. มีการสร้างเจดีเพื่อเป็นการบรรจุพระธาตุของท่านเหล่านี้ไว้ให้เป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องเตือนสติเครื่องเตือนใจให้กับอนุชนรุ่นหลังที่มาเกิดในยุคหลังว่าจะได้รู้ว่าผ้ารูปนี้องค์นี้ท่านเป็นผ้าหลันตสาวกของพระพุทธเจ้าท่านได้ปฏิบัติจนได้บรรลุถึงทำขั้นสูงสุดแล้วถ้าท่านมีธรรมะคาสั่งคาสอนอยู่ ถ้าเราอยากจะศึกษาก็สามารถศึกษาจากคาสั่งคาสอนของท่านก็ได้นี่ก็คือเรื่องของแหล่งของความรู้เรื่องของธรรมะที่เราจะต้องศึกษากัน <c oughs> เราควรจะศึกษาจากแหล่งที่เป็นธรรมที่แท้จริงเป็นธรรมที่ได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัติแล้วถ้าผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเอาธรรมที่ได้ศึกษาจากการเรียนแล้วจากการท่องจา จากการนึกคิดมาสั่งมาสอนนี้จะไม่ได้ให้ธรรมะที่แท้จริงได้จะไม่สามารถทําให้ผู้ที่ได้ศึกษาพและปฏิบัติตามนี้สามารถบรรลุถึงธรรมถึงผลของธรรมมันแลน้อันเสรฐได้จ <c oughs> ึงต้องควรระมัดระวังเวลาที่เราไปศึกษากับใครเราควรที่อย่างน้อยควรจะศึกษาประวัติของท่านเหล่านี้ก่อนว่าท่านเป็น ท่านศึกษามาจากใครทีหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของใครเพราะ<ม>สิ่งเหล่านี้มันมีมันมีประวัติมีการ ม, มีมีการสืบเนื่องกันต่อเนื่องกันมาพ<ม>าทุกลูกที่มาบวชนี้ต้องมีครูมีอาจารย์มาบวชแล้วก็ต้องมาศึกษากับครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็ต้องศึกษาอยู่ห้าปีแรกห้าปีแรกนี้มาบวชแล้วจะต้องมีการศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนถึงจะสามารถที่จะไปอยู่แบบไม่มีครูบาอาจารย์ได้ ถ้าไม่มีประวัติว่าได้อยู่กับใครมาก่อนแล้วก็จู่ๆก็บอกว่ามาบรรลุธรรมเพราะไปไปเดินในป่าในเขาที่ไหนมาก็ไม่ทราบแล้วก็โผล่มาบอกว่าเราได้บรรลุธรรมแล้วอันนี้ก็ควรที่จะระวังควรจะควรที่จะหาอะไรมาเครื่องพิสูจน์ยืนยันเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสารุกนี้มา เปรียบเทียบดูว่าท่านสอนตามตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกหรือไม่แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนหรือคำสอนของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วท่านก็มาสอนเราถ้าเราก็ไปเชื่อเราก็อาจจะถูกถูกความหลงของท่านและของเราหลอกไปให้หลงทางก็ได้ การศึกษาธรรมจึงต้องมีความระมัดระวังให้ไม่ให้มีความมั่นใจว่าเราได้ศึกษาจากแหล่งธรรมที่ที่ถูกต้องก่อนเ mm hmm. มื่อเราได้ศึกษาแล้วเรารู้มั่นใจว่าธรรมที่ท่านสั่งสอนนี้เป็นธรรมที่ที่ถูกต้อง mm hmm. เราก็าจะมีความมั่นใจเราก็าจะสามารถนํามาไปปฏิบัติได้ mm hmm. ธรรมที่ธรรมที่พระเจ้าที่สอนและธรรมที่พระอริยรสงสาร ที่สอนนี้ก็จะเป็นธรรมที่เหมือนกันธรรมที่จะนำไปไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก็คือทานศีลภาวนานี่หรือศีลสมาธิปัญญาขึ้น อ, อยู่กับว่าผู้ปฏิบัติอยู่ในระดับไหนถ้าเป็นคารวาสก็ให้ปฏิบัติทานศีลภาวนานถ้าเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชก็ให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาก็คือภาวนานี่ ที่ไม่ได้สอนให้พระบรรพชิตพระนักบวชนี้ทำบุญทำทานก็เพราะว่าท่านไม่มีงินไม่มีทองแล้วเวลาท่านบวชนี้ท่านได้ทำบุญทำทานอย่างอย่างหมดซึ้นมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปหมดเพราะเวลามาบวชนี้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการมาดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจนะต้องใช้ศีลใช้ภาวนา ภาวนาก็คือสมาธิและปัญญาดังนั้นเวลาที่สอนนักบวชสอนพระเนร<ม>ท่านก็จะสอนให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าสอนคารวะผู้ครองเลยก็สอนให้ให้ทำทานรักษาศีลภาวนา<ม>เพราะว่าคารวะยังใช้เงินใช้ทองอยู่แต่มักจะใช้เงินทองไปในทางที่ผิดคิดว่าสามารถเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขต่างๆ มาดับความทุกข์ได้ซึ่งก็ไม่สามารถดับได้นอกจากดับไม่ได้แล้วยังกลายเป็นสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาอีกทางเงินทางไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขจากการอยู่อย่างสุขอย่างสบสบายทางร่างกายอันนี้เป็นความสุขวอนเป็นความสุขเดียวๆเดี๋ยวก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะใช้เงินเพื่อ สร้างความสุขให้กับใจวิธีที่ถูกต้องก็คือเอาเงินนี้ไปทาบุญทาทานแทนเพราะการทาบุญทาทานนี้เป็นการกาจัดกิเลสตัวความเห็นแก่ตัวตัวที่อยากจะหาความสุขอยากเสียงอื่นๆที่มีให้หาความสุขจากการเสียสละแบ่งปันแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมที่เราจะต้องศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติ คือถ้าถ้าเป็นคารวะและ้วก็ศึกษาทานศีลภาวนาทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปซื้อความสุขก็เอาไปทําบุญแทนอย่ า, อาไปเที่ยวไปกินไปดื่มซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จําเป็นต่างๆซื้อของหรูหราความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวที่อากาศเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปให้เอาความสุขจากการได้ทําบุญทําทานบุญที่เกิดจากการความสุขที่เกิดจากการทําบุญทําทานนี้จะอยู่ติดกับใจไป จะเป็นที่พึ่งของใจเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะเป็นสเสบียงที่จะพาให้ไปอยู่ในสวรรค์ก่อนถ้ายังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกินถ้าได้ศึกษาแล้วปฏิบัติอย่างเข้มข้นก็จะก็จะได้บรรลุผลตา่างคนมาตามลำดับทำทานดาวก็รักษาศีลเริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนแล้วก็เพิ่มเป็นศีลแป ถ้าสาสินแปได้ก็ไปภาวนาได้เพราะสินแปดนี้จะทําให้เราไม่ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือการเจริญสติเพื่อทำเพื่อนั่งสมาธิให้จิตสงบให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเรามีความสุขจากการสงบแล้วเราก็จะได้ยุติการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เพราะถ้าเรายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ เราก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องทำใจให้สงบให้มีความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นเลยเราก็ไม่ต้องเจอกับความทุกข์แต่เวลาใจเราไม่สงบบางทีเราก็ยังอาจจะถูกความหลงดึงให้เราไปเสพอยู่ตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจ ให้เห็นว่าการเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากสิ่ ง, งต่างๆที่มีในโลกนี้จะนําไปสู่ความทุกข์ต่อไปเพราะว่าความสุขเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดพอเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะจะตัดความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่ ง, งต่างๆที่มีในโลกนี้ได้ พอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบไปตลอดที่ใจทุกข์ก็ทุกข์เพราะความอยากนี่เองอยากหาความสุขจากลูกเสียงเกิดลดอยากจะมีอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยางอยากร่ําอยากรวยอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นความอยากเหล่านี้ถ้าเราใช้ปัญญามาสอนใจให้ตัดพอเราตัดได้หมดแล้วความอยากที่เคยสร้างความทุกข์เหล่านี้ก็จะหายไปใจที่เคยทุกข์เคยวุ่นวายก็จะสงบตัวลง แล้วก็จะสงบอย่างถาวรสงบอย่างมีความสุข<ม>ใจที่สงบอย่างถาวรนี้เราเรียกว่านิพาน <c oughs> ใจที่ปราศ จ, จากความอยากต่างๆที่เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาจากการปฏิบัติ<ม>ก็จะได้บรรลุตามขั้นต่างๆรูดับความทุกข์ขั้นต่างๆ<ม>ขั้นขันทาน<ม>ขั้นศีลท่านภาวนา<ม>จะช่วยดับความทุกข์เป็นขั้นๆไปจนทําให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดสิ้นไปในที่สุด เราหมดทุกข์แล้วเราเราหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วถ้ามีใครอยากจะมาศึกษาอยากจะมาให้เราสอนแล้วก็สามารถนำเอาความรู้ที่เราได้จากการปฏิบัตินี้ไปเผยแพร่สั่งสอนให้ผู้ได้ต่อไปเราก็จะได้ทำช่วยรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ในโลกนี้ต่อไปให้ให้นานยาวขึ้นให้ยาวนานขึ้นเพราะศาสนานี้จะอยู่ได้ ก็เพราะว่ายัางมีผู้สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติมีผู้บรรลุธรรมมีผู้เผยแผ่ธรรมนั่นเองถ้าไม่มีการเผยแผ่ธรรมไม่มีการบรรลุธรรมไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติตธรรมอาภศาสนาก็จะหายไปจากโลกนี้สิ่งที่อยู่นี้ถาวรลวัตถุต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นตัวของศาสนาโบสถ์โบสเจดี JD, อะไรต่างๆพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นเครื่องประดับของศาสนา ไม่ใช่ตัวศาสนาไม่สามารถทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์จากทารวละวัตถุต่างๆได้การจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี่ต้องอาศัยการทําหน้าที่ของชาวพุทธที่พระเจ้าได้ท่งมอบหมายให้กับพวกเราไว้ประทามกันสี่ข้อก็คือให้เราศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็นํำมาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติให้บรรลุ ข, ขึ้นมาหลังจากบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ ให้หลุดพ้นต่อไปได้ถ้าเขาสนใจที่เขาอยากจะมาศึกษาเราก็สามารถสั่งสอนบอกเขาวิธีให้เขาปฏิบัติต่อไปได้นี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พุทธเจ้าได้สรงมอะไว้ให้กับพวกเราชาวพุทธทุกคนถ้าเราอยากจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราก็ต้องทําหน้าที่เหล่านี้ให้สมบูรณ์แล้วเราก็จะได้รับประโยชน์จากการทําหน้าที่เหล่านี้ก็คือเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วย ช่วยทานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปในโลกนี้ อ, อ, อีกยุคหนึ่งอีกสมัยหนึ่ง <c oughs> นี่คือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันต่อคือเราจะมานั่งสมาธิกันเพื่อทําใจให้สงบให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาให้เกิดพลังที่เราจะสามารถต่อต้านต่อสู้กับความอยาก ที่จะไปหาความสุขจากสิ่ง ต, งต่างๆที่เป็นทุกข์ได้ <c oughs> าการจะนั่งสมาธิให้เกิดผลนี้เราต้องมีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่จะผูกที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบกรรมฐานนี้ก็มีหลากหลายกรรมฐานด้วยกันที่ใช้กันทั่วไปก็คือพุทธานุสติ คือนำนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยคำก็คือการบริกรรมคาว่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจนั่งสมาธิต้องมีมีกรรมฐานต้องมีสติคอยกํากับใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่านั่งแล้วก็พุโทโธหายไปแล้วก็ไปนั่งคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นน <c oughs> ถ้ามีความคิดบุงแต่งใจก็จะไม่เข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปได้ได้เรื่ อ, อยเดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ ถ้าไม่ใช้บริกรรมพุดโธอยากจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ก็ใช้กันแทนได้ดูลมที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปควบคุมบังคับไม่ต้องไปหายใจลึกๆหายใจยาวๆให้ให้ร่างกายหายใจเข้าตามปกติตอนนี้เขาหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นเดี๋ยวก็หายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวให้รู้เฉยๆให้เฝ้าดู ให้ให้ใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราอยู่กับลมไปเดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องความคิดต่างๆได้แล้วใจก็จะนิ่งจะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมา <c oughs> ถ้ายังไม่สามารถบริกรรมพุโทโธได้หรือดูลมได้จะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจสวดบริติปิโสก็ได้สวดบทแผ่เมตตก็ได้สวไดสวไปเรื่อยๆสวดแล้วสวดหลายรอบ สวนไปจงกว่าใจเรื่องเสกเย็นจะสบายแล้วจะดูลมต่อไปก็ค่อยเปลี่ยนมาดูลมก็ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วเวลานั่งนี้ถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมีเสียงเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีแสงเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีกลิ่นมีรูปมีอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจดึงใจกลับมาให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุโทโธถ้าใช้พุโทโธอยู่กับลมถ้าใช้ลมอยู่กับการสวดมนต์ถ้าเราใช้การสวดมนต์ หรือถ้าเราใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้บางสำนักอาจจะสอนให้เพ่งดูลูกแก้วก็ได้บางสำนักก็สอนให้ว่าสัมมาหลังก็ได้บางสำนักให้ดูที่หน้าท้องก็ได้ยุบหนอพองหน่อก็ได้วิธีการเหล่านี้เหมือนกันทําแทนกันได้ใช้แทนกันได้แล้วแต่เราจะถนัดแล้วแต่เราจะชอบใช้อย่างไหนก็ให้ใช้อย่างนั้นแต่ก็สําคัญต้องมีอะไรผูกใจไว้อย่านั่งเฉยเฉยอย่านั่งใจลอย อย่านั่งแล้วคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจะทําให้ใจใจไม่สงบแล้วใจยจะดินด้นดิ้นเราจะรู้สึกไม่สบายใจแล้วจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ <c oughs> แล้วต่อไปนี้เราก็จะมาเริ่มนั่งสมาธิกัน <c oughs> จนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลานั่งสมาธิก็หมดพอดีก่อนที่จะเลิก ขอให้สังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วสงบดีหรือไม่สงบถ้าสงบดีให้สังเกตดูว่าเรานั่งแบบไหนและจำเอาไว้คราวหน้าเวลาเรามานั่งใหม่เราก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้มันจะไม่สงบด้วยความอยากมันจะสงบด้วยวิธีที่เรานั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังไม่ดียังมีน้อย ก็ควรที่จะเจริญสติก่อนที่จะมานั่งให้มากๆก่อนควรที่จะเจริญสติทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเพื่อพุโทโธพุทโธหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไป <c oughs> แล้วต่อไปเราก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้น <c oughs> เวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยทถาวริวหาปูราริเริภเณติสาขลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังปกะปติอิช an ิตังปะทิตังต um ุมหังคิปเมวะสัมิจโตสัเพโรเณตสังกะปา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 จัตารอธรรมวัตถันตีอายุวันโอสุขังภาลใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะเวลาเล่งแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบทางทางต้องขออภัยด้วย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 จากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ286ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์291 YouTube ด็อกรวีสีิวิทยุออนไลน์สิบหนึานกุติ184รวมทั้งหมด816ท่านค่ะเด๋วไม่ทราบว่ามีชาวต่างชาติจะถามคถามกันางไหนะ mm hmm. หมอชาวมาเลเซียอยากจะถามอะไรมนะ You have any question Come here. We have a microphone for you to to talk to. Okay, how close to the microphone? Hi, Lempo. Nice to meet you. Um, I'm Brian. I wanted to ask about meditation practice. Um, how do we ensure that as a beginner, when we are still um, not Progressing that well in our practice, with the ups and down, s how do we make sure that we are more consistent? Because at the point when we are down, we give up um, and not making much progress. Well, you have to accept that as a beginner, you're like a child learning how to stand and walk. You, know, you might be able to take a few steps and then you fall down, and then you crawl for a while, and then you stand up and walk again. You just have to be persistent in your practice. Don't worry about when it's down or up. Just keep doing it. Set up a certain schedule you can stick to, like every morning, every evening, or any any time that you can set up for your practice, and try to stick with your practice. And your your mind will start to grow, become more strong, and it will be able to to to go on. Despite the ups and downs, which is part of part of the practice, so don't worry when you're down. Just tell yourself, you're you're down today. You'll be up tomorrow. So just keep on practicing, whether you like to or not. When i e s time for you to meditate, just do it. And the the thing that will help you succeed is to be mindful all the time. You should practice mindfulness all the time, even when you're not meditating. You can recite a mantra, buttoh b u t t o What you do and things that you don't need to think, like taking a shower, like eating, like getting dressed. You can use mantra, buttoh buttoh b u t t o to bring up more mindfulness for you. So that when you meditate, you have a lot of more mindfulness, and you'll be able to sit down and achieve what you want. Make the mind become calm. Okay. So the key to practice is be mindful. Try to develop as much mindfulness as you can. Okay. Anything else? No, thank you. h uh, Okay. Next, yoga. Okay. Rohini. Oh, yes. First, I would like to thank you, Ajahn, for giving me a you know, chance to uh, stay here for a few days, and uh, uh, and also I would like to thank you for your teaching. And uh, uh, according to my my practice, uh, I'm I'm trying to get into fourth jhana, as Ajahn explained to us. We can't really proceed without. Uh, reaching the fourth jhana, so I'm that's my situation at the moment. So I'm I'm fighting my own defilement uh, at the moment. Yeah, you have yeah. to be, you have to be patient. Yeah, i s doesn't come easy, but if yeah. you persist, you will achieve it one day. Yeah, and uh, just one more question. u h uh, you know the enlightened mind. Uh, does have uh, four nama k h a n d a s you know, vedana, sanna, sankara, viññana, but uh, uh, uh, is used for the benefit of others. But once the uh, uh, arahat, arahant uh, passing away of arahant and the passing away of a Buddha, so the uh, four nama k h a n d a s become inactive. or so Well, inactive it becomes inactive. Inactive, yeah. it doesn't disappear. It's part of the property of the mind. Yeah. Sorry, if, if I'm m asking stupid questions. Sorry. And occasionally it might be it might be active. Like according to Ajahn Man, sometimes h a d Buddha con contacted him and, mm. and and give Dhamma discourse to him. So the the the nama kanda can still become active whenever. The m I want e d t t o oh. It doesn't disappear, but it is just inactive. And when I mean, yeah, it just exists in the spiritual world, okay. but it is not active because that it has no need to do to do anything anymore. Okay. Yeah. So that's not nothing much. Okay. Yeah. Thank you. All thank right. you very much. Have a good journey home. Thank you. and See you next week, I next week. Tuesday. Okay. See you virtually. Now you're Thank seeing physically. You. you want any question? Do do wait, wait. You have to take the microphone so I can hear you. Just s we can. Okay. เอาไว้ใกล้ใกล้ปากให้เขาพูดเลยเอาไว้ใกล้ใกล้ปาก How to deal with the worldly side of things, <How S 1> Tanajan? Can you repeat <and S 2> how to what? Deal with the worldly side of things that seems to be somewhat unavoidable. Deal with wisdom. See it as anicca dukkhamanatta. See it like a, a a burning fire. Don't don't get close to it. Stay away from it. Try to live alone and have nothing to do with the world. Because the world is dukkha, suffering. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you. Okay. See everything as anicca, dukkha, anatta. Then you don't have to do anything to them. Just leave them alone. Like fire, when you see fire, you don't run into the fire. You run away from the fire. Short sure thing. Okay. Good. Ah, 누에라 a ถามไหม Ah, e 마이크폰가져 ถามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะเวลาหนะูนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้ากําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่แต่เห็นว่าจิตมันยังฟุ่งอยู่เจ้าค่ะแต่พอเห็นมีปุยเมฆคุยฝ้ายขึ้นมาในจิตหนูจะไปจับอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไม่ฟุ่งเจ้าค่ะอย่างนี้หนูควรทําอย่างนั้นไหมคะก็ลองทําดูแล้วถ้าเกิดปุยฝ้ายหายไปแล้วจะทํำยัำยงไง คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะปฏิบัติไปปฏิบัติไปรู้สึกว่าตัวเองมีข้อเสียเยอะมากต้องวางใจอย่างไรหรือภาวนาอย่างไรขอคำแนะนำด้วยค่ะออทำใจยอมรับความจริงแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขไปต่อไปส่วนที่ไม่ดีมันก็จะหมดไปเองคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ หนูรบกวนสอบถามพระอาจารย์ที่บ้านต้นตระกูลเคยมีเปิดบ่อนการพ น, นันเลี้ยงสัตว์แล้วก็ฆ่าสัตว์วัวควายจากนั้นผู่กับย่าป่วยเป็นมะเร็งทั้งคู่ถึงเสียชีวิตเกีย่ยวกับผลกรรมที่ทําไหมคะและส่งผลต่อลูกหลานด้วยหรือไม่เจ้าคะผลกรรมไม่ส่งต่อลูกหลานกรรมใครกรรมมันส่วนที่เป็นมะเร็งที่ตายนี่มันอาจจะไม่ได้เกิดจากกรรมที่บาปก ร, รรมที่ทํามาก็ได้หรืออาจจะมีส่วนก็ได้ เพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามเกิดมาแล้วจะทำบุญหรือทำบาปก็เป็นมะเร็งได้ตายได้เหมือนกันคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติคะ่ะผมนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเหมือนโดนดูดรู้สึกเหมือนหมุนหมุนเกิดจากอะไรครับ พอเกิดก็ตกใจออกจากสมาธิครับแล้วเคยนั่งแล้วเกิดรู้สึกเหมือนมีความสุขมากเสี้ยววินาทีอันนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากการมีสติถ้าเรามีสติใจก็จะนิ่งสงบแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลานั่งเรามีอะไรปรากฏขึ้นก็แสดงว่าเราไม่มีสตินะเราต้องรีบกลับมาห า, หาที่ตั้งของสติหรือถ้าเราใช้พุทโธก็กลับมาหาพุทโธถ้าเราใช้ลมก็กลับมาหาลม แล้ววเเดี๋ยจจิิตตตกก็็ะสงบปปปน่อไคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะมีเพื่อนฝากเรียนถามว่าถ้าเขาทําบุญร่วมกับคนที่รักกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันชาติหน้าหรือชาติอนาคตเขาจะได้เป็นเนื้อคู่กันหรือไม่ครับไม่รู้เหมือนกันคํะคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะ หากเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกจนไม่สามารถรักษาศีลห้าได้สมบูรณ์จะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดครับยากถ้ารักษาศีลไม่ได้ก็จะไปอาบายเสส่วนใหญ่ยังต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะการใส่บาตรโดยรวมอาหารและผละไม้ในถุงและใส่ลงในบาตร กับการหยิบของทีลชิน้นลงบาตควรทําอย่างไรเจ้าท่าเอารวมกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลามากเพราะว่าเราบินบาตในวันหนึ่งคนมันเป็นร้อยสามสี่ร้อยถ้าหยิบทีละชิน้นทีละชิ้นนี่บางทีกว่าจะเสร็จนี่มันเสียเวลามากคนอื่นเขารอเข้าแถวอยู่เยอะงั้นถ้าถ้าเป็นไปได้พยายามรวบรว ม, รว ม, รวมใส่ถุงเดียวแล้วก็วางไว้ในฝาบาตหรือใส่บาตได้ก็ใส่เข้าไปในบาตเลย มีคนเข้ามาอยากจะถามคำถามนะกราบนมัสการเจ้าค่ะมีคำถามว่าถ้าไม่อยากเป็นนักบวชไม่อยากเป็นพระไม่อยากบวชเป็นแม่ชีแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมเรารักษาศีลจากศีลห้าเป็นศีลแปเจริญสติต่อเนื่องแล้วประสบการณ์ในการนั่งสมาธิ อาจจะแบบพิจารณาและเห็นเป็นอาุพะหรือพอจิตสงบมันก็เห็นเป็นอาุพะเองที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอกราบเรียนทางครูบาอาจารย์บางท่านท่านบอกว่าอย่างนี้เรียกว่าภาวนาดีแต่หนูมีคำถามที่ไม่ฉลาดแต่ว่าติดในใจคือว่าเราใช้ความเพียรปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเราก็จะกลายเป็นนักบวชในที่สุดเหมือนถอยออกจากโลกหรือเปล่าคะ เราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะถอยห่างจากโลกหรือเราจะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขและเป็นผู้ปฏิบัติธรรมคือคําว่านักบวชหรือพระนี่มีสองความหมายพระที่เป็นพระในใจกับพระที่เป็นพระที่กายพระที่กายก็คือพระที่โกนหัวนุ่งผมผ้าเหลืองเราก็เรียกว่าพระส่วนพระที่ใจก็คือพระอริยะเจ้าปริยับุคคล พระสวัดาบาลพระสกิดาคาผ้านาคาผรร้าอรหันถ้าเป็นผ้าในใจแล้วก็อยากจะเป็นผ้าทางกายต่อไปด้วยเป็นความปกติของการ ป, ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะคนที่บรรลุธรรมหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ขอบวญกับพระพุทธเจ้ากันถ้าอย่างนั้นเราควรจะยังรักษาความเพียรในการปฏิบัติตธรรมโดยไม่ไม่ต้องไปกังวลว่าในท้ายที่สุด ผลของการปฏิบัติธรรมจะทำให้เราต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกอยู่ในโลกหรือเราจะถอยห่างจากโลกใช่ไหมคะใช่ผลมันจะเป็นตัวเป็นตัวที่จะทำให้เราตัดสินใจองนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปเป็นพระหรือไปเป็นคาวาสอ๋เพราะว่าเหมือนมีความกังวลว่าเราจะต้องตัดสินใจเหมือนตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าเราทำไปเพื่อ เพื่อสุดท้ายเพื่ออะไรแต่ว่าเวลาทําไม่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเพื่ออะไรแต่ว่าทําเหมือนเวลาครูบาอาจารย์สอนว่าขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําก็ทําเช่นนั้นนะคะได้ทําแบบนี้ก็ได้แต่บางคนเขามีมีความตั้งใจมากกว่าเขาอยากจะเสร็จเร็วกว่าเขาก็คิดว่าการไปบวชนี่จะช่วยให้เขาได้สําเร็จเร็วกว่าเขาก็ไปบวชกันยินแล้วแต่เราถ้าเราจะเย็นสบายสบายะ ชาวชาบเยินชามันก็ยังไม่ต้องปวดกันเลยแต่ระวังเดี๋ยวเวลามันจะหมดซะก่อนนะอนชีวิตเราอาจจะไม่พอแ น, น่นอนก็อย่าประมาทพุทธเจ้าว่าอย่าประมาทสังขารเป็นของไม่เที่ยงเคลื่อนตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเ ถ, ถิดอ๋อถ้าอย่างนั้นตัดสินใจได้แล้วคะ่ะขอบคุณค่ะอ แต่เราต้องพร้อมเองนะถ้าไม่พร้อมมันก็บวชไม่ได้เราต้องพร้อมต้องอยากอ้ายังไม่พร้อมบวชแล้วมันก็ จ, จะรู้สึกลําบากอะไก็ไม่แน่บางทีอาจจต้องต้องสู้แต่เป้าหมายของการบวชก็คือจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้มากกว่าโอเคอมีท่านยังอยู่ข้างหลังคุณหมอเหมือนกันหลวงพ่อคะออมันมีหมอบาง ประเภทคอย่างเช่หมอจีนเนี่ยเวลาเขาให้ตํำรับยามานะคะเขาจะให้กินกับเหล้าอันนี้มันสามารถกินได้ไหมคะมันจะผิดศีลไหมถ้าเป็นยาก็ไม่ผิดศีลี่ยไม่ผิดนะคะกินแล้วไม่เมาก็โอเคมันจะเป็นใส่เหล้าด้วยค่ะถ้ากินแล้วเมาก็ไม่ก็ไม่ควร จ, จะกินเราไม่ต้องกินให้เมาก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะบริสุดก็อย่าไปกินมันแต่ถ้าอยากจะจําเป็นจะต้องรักษาร่างกาย เพระจะได้รักษาศีลต่อไม่ได้ก็ก็รัก ก, ก็กินไปเพราะเจตนาไม่ได้กินเพื่อให้เกิดการมึนเมาไม่ได้เสพความสุขจากการการดื่มเหล้เลาเป็นการรักษาร่างกายอันนี้ก็ถือว่าเป็นยาก็กไม่ผิดศีลเหมือนก็เครื่องสำอาง ถ, ถ้าเราใช้เพื่อให้เสริมสวยความงามนี่ก็ผิดศีลถ้าเราซือสีลแปแต่ถ้าเราใช้รักษาผิวนี้ก็ไม่ผิดศีน อ, อยู่ที่อยู่ที่การใช้งานว่าใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อปัญญาก็ไม่ผิดใช้เพื่อเป็นการให้ความสุขด้วยการเสพอันนี้ก็ผิดถมอีกลูกปรารถนาจะเป็นพระอริยะบุคคลหรอคะ เพอลูกทราบว่าการลดละกิเลสมันให้ความไม่ทุกข์เหมือนปุตรชนธรรมดาเจ้ค่ะแต่ว่ายังขาดสมาธิกาดสติก<ค>าดสติตยังฝึกสติทั้งวันเดินตามขึ้นมาก็ท่องพุทโธไปทั้งวันเลยทําเดียวนั้ยากตรงไหนพุทโธพุทโธพุทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไป บาบ้านถูบ้านซักเสื้อผ้ากับพุทโธไปอันนี้แหละแล้วเดี๋ยวมานั่งสมาธิจิตก็รวมเป็นอัปปนาสมาธิได้พอมีอัปปนาสมาธิก็สามารถตัดกิเลสได้พอปัญญาบอกเป็นทุกข์ก็ตัดได้เลยง่ายนิดเดียวจะคะกับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่าค <c oughs> ำถามจากทางเฟซบุกพระอาจารย์สุชาติค่ะ ช่วงนี้พักผ่อนน้อยเวลานั่งสมาธิจะติดหลับนั่งไม่ได้นานกำลังสติน้อยจะแก้ยังไงครับก็นอนให้มากก่อนเลยเรารู้อยู่แล้วเหตุที่เกขาดการนอนก็ต้องหาเวลามาให้นอนตัดกิจกรรมที่ไม่จาเป็นไปอย่าดูหนังฟังเพลงอย่าเล่นเกมอะไรไปให้มันมากเอาเวลามาพักผ่อนหลับนอนงานการก็ตัดไปไปบ้างก็ได้เราทามาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้น ตายไปเงินทองที่เราหามาได้ถ้าเป็นแทบตายก็ไปไม่ได้อยู่ดีมันต้องรู้จักใช้เวลาให้ถูกต้องคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะอยากทราบว่าทำไมวิญญาณผู้ตายถึงมาเกาะแล้วทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเจ้าคะ อ, อ๋อไม่มีหรอกวิญญาณของใคร ม, มาเกาะเราไม่ได้หรอกเราคิดไปเองอุปทาน หมดแล้วยังหมดจะได้ยังไม่มีคำถามไหมเวลาใกล้จะหมดพอดีก็แค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเธอ